ทานทนหอยทากและต้นเชอรี่กันละครั้งหนึ่งในสวนเล็กๆที่งดงามยังมีต้นเชอรี่ที่สง่างามผลเชอรี่ราวกับัญญมณีทับทิมที่สองประกายแวววับอยู่บนต้นในสวนแห่งนี้มีหอยทากตัวน้อยอาศัยอยู่เช่นกันเธอชื่อว่าเชอรี่เธอเป็นหอยทากที่มีความสุขในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน เธอจะเล่นกับผีเสื้อและมองดูพวกนกแต่ในฤดูหนาวที่หนาวเย็นเชอร์รี่จะขดตัวเข้าไปในเปลือกอันอบอุ่นของเธอและหลับจำศีลไปเมื่อฤดูหนาวสิ้นสุดลงเชอร์รี่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลอันยาวนานเธอออกมาจากเปลือกของเธอเพื่อให้มั่นใจว่าถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วเธอมีความสุขมากมันใช่เลยเธอเห็นดอกไม้ทั้งหมดบานสะพรั่งเพื่อรับแสงแดดพึ่งบินวนเวียนรอ บ, รอบ จูบดอกไม้และผีเสื้อบินเต้นรําต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่เข้ามาในสวนขณะที่เชอร์รี่เดินชื่นชมความงามอยู่นั้นท้องของเธอก็เริ่มร้องเพราะความหิวโอ้ฉันได้กินแค่นิดเดียวในฤดูหนาวฉันกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละอืมแต่ว่าฉันจะเจออะไรในสวนที่ใหญ่แห่งนี้ล่ะเนี่ยเธอมองไปรอบๆและดวงตาของเธอก็หยุดอยู่ที่ต้นเชอร์รี่โอ้ต้นเชอร์รี่ ท่าทางน่าอร่อยแฮะฉันจะกินเชอร์รี่ที่หวานฉ่ำบนนั้นซะหวังว่ามันจะอร่อยดังนั้นเธอจึงคลานขึ้นไปบนต้นเชอร์รี่และเริ่มปีนมันขึ้นไปเมื่อเธอมาถึงรากที่บิดงอมีกบตัวหนึ่งโผล่มาจากทางด้านหลังพุ่มไม้ก็คือคุณโครกี้ว่าไงเชอร์รี่จะไปไหนเหรอเช้านี้ออไงคุณโครกี้ ฉันหิวมากเลยและฉันอยากกินเชอร์รี่บนต้นไม้นั่นนะ่ะอบแต่เชอร์รี่เพื่อนรักไม่มีเชอร์รี่บนต้นไม้นี้ขนาดใบยังแทบไม่มีเลยตรงนี้อาจจะไม่มีนะแต่เมื่อไปถึงยอดมันต้องมีแน่ๆเลยถ้าคุณมีขาที่สามารถกระโดดได้แล้วแบบฉันแล้วก็คุณอาจจะไม่ต้องเหนื่อยฉันจะไปจับมแมลงเป็นอาหารเช้าอบคุณจะไปด้วยไหมอิ เอะหมายถึงไม่ดีกว่าฉันว่าแมาลงต้องอร่อยแน่นอนสำหรับคุณนันนะแน่ใจนะแมลงชุ่มฉ่ำเหมือนเชอร์รี่เลยนะรู้ไหมอาจจะฉ่ำก็ด้วยซ้ำ อ, อ๋ใช่ใช่แต่ฉันไม่ต้องการความฉ่ำแบบนั้นนะ่ะออโชคดีนะคุณโครกี้ฉันไปก่อนนะออทานออให้อร่อยนะโอ้โอและเขาก็กระโดดเพื่อจะจับแมลงแต่ว่าเขารีบร้อนจนเกินไป เขากระโดดแรงเกินไปและกระแทกเข้ากับต้นไม้อย่างจังคคชคบดีนะที่ฉันกระโดดไม่ได้ฉันจะแค่คลานในแบบของฉันเท่านั้นเองขณะที่เธอคลานอย่างช้าๆอย่างมีความสุขจนมาถึงลำต้นอันแข็งแกร่งที่นั่นเธอก็ได้พบกับเพื่อนอีกตัวชื่อ B umble. B umble บัมเบิลบัมเบิลรบปนเข้าไปหาทันทีไม่ได้เห็นเชลลี่เชลลี่เธอมาทาอะไรที่นี่เนี่ยมาเพิดเพลินกับสายลมอย่างนั้นเหรออ่าไม่ใช่หรอกบัมเบิล ฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันน่ะอยากจะกินเชอรี่บนต้นไม้ต้นนี้ต่างหากล่ะเชอรี่เหรอแต่ว่ามันโตแค่ในฤดูร้อนนี่ตอนนี้เธอน่ะควรจะกลับไปก่อนนะอ่าใช่แต่ฉันน่ะเห็นแค่ใบไม้ฉันรู้ความต่างระหว่างใบไม้กับเชอรี่ดีขอบใจนะแต่ว่าฉันช้าแล้วและบางทีที่ฉันไปถึงเชอรี่มันอาจจะเป็นฤดูร้อนแล้วก็ได้นะจริงเหรองั้นฉันจะช่วยคุณเองถ้าตอนนี้มีเชอรี่นะงั้นขึ้นบนหลังฉันสิ ฉันจะพาคุณบินขึ้นไปอย่างรวดเร็วมาสาิไม่เป็นไรขอบใจนะฉันจะวิ่งเวียนถ้าเกิดว่าคุณพาฉันบินนะ่ะฉันอาจจะกลิ้งตกลงไปเลยก็ได้นะคุณไม่ตกหรอกนะมันปลอดภยัยแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ต้องการงั้นฉันขอตัวก่อนนะขอให้คุณได้ทานเชอร์รี่ที่ชุ่มฉ่ำสมใจอยากไงขอให้โชคดีบัมเบิมบินหึงออกไป เชอร์รี่หันหัวของเธอและคลานมุ่งหน้าไปอย่างช้าๆและมั่นคงในระหว่างวันที่เชอร์รี่รู้สึกเหนื่อยล้าแต่พอคิดถึงเชอร์รี่สีแดงสดเธอก็จะคลานต่อพอตกกลางคืนเธอก็จะนอนพักอย่างเต็มอิ่มในเปลือกของเธอและเมื่อถึงตอนเช้าเธอก็จะเริ่มปีนต่อฤดูการเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆและเชอร์รี่เริ่มมองเห็นต้นไม้ออกดอกออกผล ขณะที่เธอกำลังมองดูก็มีลมแรงมากระทบที่เธอซึ่งนั่นมาจากเพื่อนของเธอที่ชื่อวิงซี่โอ้ไงเจ้าวิงซี่เธอน่ะเกือบจะพัดฉันตกเลยนะดีจ้ะเชอรี่เธอน่ะเห็นดอกตูมนั่นไหมฉันว่ามันดูสวยดีนะเธอว่าไงไหมสุดยอดไปเลยล่ะเมื่อพวกมันกลายเป็นเชอรี่ฉันอยากจะกินมันมากๆเลยเชอรี่เหรอนั่นทาให้เธอมาที่นี่แต่ว่ามันน่ะมีแค่ดอกเท่านั้นนะ มาเร็วเกินไปไม่หรอกวิ่งสิฉันไม่ได้มาเร็วเกินไปฉันมาถูกเวลาแล้วต่างหากล่ะอืถ้าเธอมีปีกที่ใหญ่และส ง, ง่า ง, งามแบบฉันนะเธอก็คงจะบินไปถึงขั้นบนได้อย่างง่ายได้ดูสิมันน่ะไม่สวยงามหรอกเหรอพวกมันน่ะไม่ได้แบบว่าเอ่อ เจ้าที่ไม่ได้ประทานปีกให้กับลูกเชอรี่ปีนต่อไปมันมีแค่ทางเดียวที่จะให้ขึ้นต่อได้เท่านั้นเมื่อเธอมาถึงกิ่งไม้ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้สีขาวที่งดงามกลิ่นหอมของมันะระลึกลงไปทั่วสวนขณะที่เธอหยุดดมกลิ่นดอกไม้ก็มีนกสองตัวร้องเพลงให้กันอย่างมีความสุขเฮ้ hey, นั่นเชอรี่ใช่ไหมไหนไหนโอ้งั้นเธอนี่เอง เธอขึ้นบนนี้ได้ยังไงนะไงจ้าเชอรี่มาทำอะไรที่นี่เหรอต้นไม้สูงมากมันไม่สูงไปสำหรับคุณเหรออ้ดีจ้ะใช่ฉันไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้มาก่อนเลยฉันมาที่นี่เพราะว่าอยากจะลิ้มลองเชอรีห่หวานๆนะ่ะคุณปีนขึ้นมาเพื่อเชอรี่ใช่ไหมแล้วมันไม่ยากไปเหรอมันยากสิฉันใช้เวลานา น, านมากเลยนะแลวก็หิวมากๆเลยแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเชอรี่ ฉันก็จะมีแรงปีนต่อและมันก็สนุกมากเลยที่ได้เจอเพื่อนมากมายนะขอชื่นชมคุณเลยแต่ก็รู้สึกเศร้าด้วยเพราะว่ามันมีแค่ดอกไม้ที่อยู่บนนี้ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนการเดินทางของฉันนะ่ะยังไม่จบลงฉันจะต้องปีนต่อไปอีกหน่อยงั้นโชคดีนะพวกนาะทั้งสองคนฉันขอตัวก่อนนะนกบอกลาเชอร์ลี่ปีนต่อตามกิ่งและไม่นานนะักเธอก็มาถึงยอดต้นไม้ รู้สึกเหนื่อยล้าแต่เมื่อเธอได้มองไป ร, บรอบๆเธอก็ได้พบกับผลเชอร์รี่สีแดงทับทิมเต็มไปหมดว้าวพวกมันดูชุ่มฉ่ำมากฉันจะกินผลไหนก่อนดีเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรฉันจะกินมันทั้งหมดเลยเชอร์รี่กินจนอิ่มไม่สามารถกินต่อได้อีก และเธอก็ตัวอ้วนขึ้นและกลมเหมือนกับลูกเชอร์รี่ไม่มีผิดฉันอิ่มมากแล้ว้ฉันมีความสุขมากที่ฉันไม่ได้ยอมแพ้กับการปีนอันแสนยาวนานและยากลาบากแต่ผลลัพธ์ของมันก็ช่างหอมหวานและแน่นอน <c oughs> เชอรี่มีความสุขมาก <c oughs> เธอปีนขึ้นมาอย่างพยายามและอดทน <c oughs> เชอร์รี่แสดงให้เห็นว่าถ้าหากว่าคุณต้องการบางสิ่งจริงๆ คุณจะต้องไม่ยอมแพ้